ก้มเจ็บไข้ได้ป่วยนั่นมีมาอยู่เรื่อยๆมีมาอยู่เป็นปกติเอ่วกมเจ็บก้มป่วยมันมีหลายแแก่หลายอย่างหลายหลายขนานเขามียาหลายคนได้นี่แะแสดงถึงว่าก้มเจ็บก้มป่วยมันมีหลายสำนัลเขามียาหลายขนานแสดงใดได้ได้เลยว่า ข้อมเจ็บข้อมป่วยมันมีหลายโอเคสีเขาทํายาพิษยาขึ้นมานี่ยเอฟยาขึ้นมาไวแถ่หลักฐานหลักถึงนี่มันมีป่วยนีแหละมันมีหลายแนวหลายอย่างเอี่ยกานเทาสีจะขึ้นว่าโอ้ยให้ข้อมีเจ็บข้อมป่วยมันหมืดมันเศร้ามันุ่มมีสก้อนดอกให้มันมืดแน่คุณเทาจังสีสบายใจจงสิภาวน่าจงสีดียังไน ตายดิ่มซื่อๆได้หนี่งมันบม่มมดจักเถื่อเลยข้อมเจ็บข้มป่วยเนี่ยขางที่ดีล่ะมันป่วยกับป่วยไฟพ่ากับภาวนาไปไอ้เฮงสีดีละมันยังสีได้ <c oughs> มันติดให้มันแปลนมดซะก่อนันึ่งมเจ็บค้อมป่วยขวอมไข่โมมีเลยเนี่ยเดี <c oughs> ๋ยวจะค่อยดีเทสภาวนาเนี่ยบ่อะไรโมมีโอกาสไอ้เห็ดจักเถือเ่อจนตาย มีแต่ตายกลิ่นคืออีกตันเด้นเพราะว่าหน้านี่ยเพื่อนบ่ให้เอาดอกที่ย้งก็ะไดบ่ให้เอาจัอย่างละ่ะอันหมายข้อมาแนวต่างๆสี่มันอยู่ในโลกอันนั่งหุจักว่าจริงว่าของวาเงินวาทองว่าคมลำคมด้วยควมจบควมง่ามควมมีสื่อเสียงนี่เพื่อนบ่ให้เอาดอกอันนี้โมนี่มันเป็นของประจําโลกข้งนี้ มันเป็นของดีอีกอยัางไปนั่งกระบวได้เป็นวายจังกันแมนคื อ, อยางคือแนวนั่นแหละเท่าเท่าอยา่างไดเท่าดีเอานะีา่ยนะเทาควนควายเท่าหาแมานน่นี่เจแ น, เนวเป็นตะชิมเมิร์ดนั่นแะไม่นกะันผูเป็นชิมเมิดได้ว่างออกได้ชิม์เมิดได้เนะี่ยเป็นพระอริยเจ้าโบนะสโบจมโบค่ายู่งนี่ มันล่อยขึ้นรถอะไย่างนี้แต่ว่าขนผู้เอาเนี่ยมันเอาอยัากนกระสามมันค่าอั น, นีนยเอาขนาดหนีนไม่ได้หรอกฆ่าเนว่ยจะฟองมักฆ่าเ น, นี่ยจะองสั้งค่าแ น, นี่ยจะฟองเอาขนาดฆ่ายันีอีหละแล้วคนก็เอามักโดงมักดังมักนี่ซื้อนี่เสียงนะแต่ฆ่านนเนี่ยมันน่าหลานเนี่ยหนีกันหนไีไม่ได้ แนลซื้อแนวเสียงแนวโดงแนลดังหนึ่งเขาใส่อยู่ในโลกหีิเมื่อเท่าเอาไปใช้ไปบางอื่นเรามันก็บม่มีปรโยชน์มันก็เลยต้องฆ่ากันฆ่ากันอยู่นิล่ะฆ่าก็ซื้อก็เสียงพอาว่าสี่ด้ยูนีิสีได้ใส่ซื้อใส้เสียงอยู่นิมันก็ฆ่ายูนิแล้วแนลมูลนั้นมันแนวใส่ครับอยู่นีิอาจจะคล้องได้ไปแล้วแต่อนมันจะได้มันเนี่ยเอาไปหุ่นก็บ่มีมองใส่บ่มีที่ใส่อยู่หุ่นมันก็บ่มวนไม่เนี่ยยูนมันนีล่ะ ก็เลยยู่นีเห็นไหมเงินคือกั น, นเนี่ยขันเงินเนี่ยขันสมุติวางเงินไทยยู่ประเทศไทยยังใส่ได้เนี่ยอยู่ประเทศอื่นเขาบ่เอาเลยเขาบงเขาซาเลยผู้ใดมีเงินไทยหลายหลายยจากอยู่เมืองไทยนี่แหละมีค่าอยู่นีเละ่ะนี่หลายเงินหามาจนกว่าเมืงง่อยแล้วคนที่นี้ไปยู่ประเทศอืน่นมาถึงต้องจอดของมีหลายแล้วคนเพราะได้ใส่ ผมมีประโยชน์อยู่นีนะมันจังไดใส่ค่าอยู่ประเทศให้หันค้นค่าอยู่ในโลกลหรอจะของคิดว่าดีเนี่ยบัดนี้นั่คข่มตายมันน้ากลมมาได้ไงเนี่ยขวมใายมันมากได้ไงข่มเจ็บข่มพวยมากนะมัได้เนี่ยน้ากลมมาขนาดข่มเจ็บข่มพวยค่มแกข่มเถ่าข่มแนวบอมักแน่าทุกเนียมันน้ากลมมาหันได้เนี่ยมันก็น้ำน้ามาล้วเมียห่อเอานีลย มันว่าขันสีสลาดเนี่ต้องว่างออกขันว่างนั่นออกว่างนี่ออกแล้วมันก็เบาลงขันเบาเลยมันก็รอยสินะนี่ร่อยนีเลยจากอันจากอันนี้จากมันทุกเนี่ยแต่นอกขันพุ่งเป็นสลาดส่วนติเฮตุที่เอาว่ามันมีแน่ที่เอาอยูุแต่ว่ันโบมันแน่โลกนี่เข้ามาในโลกนี่แหละขันเอาว่เป็ีนอะไรสิใดนี่เขาจะของโลกนี่แหะ ในแนวของโลกโลกกัจองขาอะไรี่แาเอาไว้นัน่นไปไปจองขาจาไว้เอาเสื้อเนืงผูกไว้ไปใช้บพื่ออะไรดินของยองของยองยื่นี่แหละมันค่อยๆฟดออกเรืว่างออกท่องค้อมสมบันี่แหละการท่องค้อมสมบักิดเป็นการว่างการปล่อยขึ้นกันเนี้ยปล่อยอารมณ์ต่างๆเห็นมันหลายๆออกนะเห็นมันเลื้อนหนอยๆอย่าง น, นั้นได้แล้ว ใหญ่สงบแล้วนึ่งเอาไปเบิ่งเขาเนี่ยคู่ฆ่ายังเนาะฆ่าเอียงเป็นง่างเงิ่อนค่าท่องบ่อฆ่าลูกค่าหลานบ่อไอ้ทีใหญมันฆ่านพย่ยามปล่อยไปในย่ามว่างออกเป็นบาทุกทินทุอย่างเป็นอนิจจังเป็นว่าเนี่ยกระซ้ อ, เย อ, ยอ ม, เมเบิ่งในเรื่องละอนิจจังเ่ยมันเสมียนควมบคนนี้แหละเป็นอนิจจังที่นแนวเด้ข้าวข้าวิมข้าวว่างจะเป็นยังหละท่านมันเป็นอนิจจัง เข้าว่างใดมันก็นได้เละคัว <c oughs> นว่างก็ได้เพิ่นเบาๆจนเพิ่นเหนื่อยเพิ่นนิจากแล้วจะลููิค <c oughs> นบอกให้ฟั้งยุอันนี้ยังทุกของอังน <c oughs> กตรว้าแล้วจนเพิ่นเมื่อยแล้วเพิ่นเลยมีจำกเอาไยังข้าจโลยิ่อยู่เนะี่ยบาทงทีอ่านเองด้วบานอ่านเองัอองฟังเทฟังฟ้งยังคงเพิ่ น, นอย่างอันนี้ยังทุกขังืองาน ตั้งเองเบื้งเองบางทีล่ะภาวนามันการปล่อยการว่างพนเขาคิดว่าเขาสิได้ยังอยู่ในนี่เหตุผลว่าโอ้ยคือคิดแล้วเอ้ยสิคือคิดแล้วคือคิดแล้วว่างเด้อหัดว่างขันว่างออกมันสิได้มันสิได่อีกอันหนึ่งเนาะมันสิได้แน่อันมันวางมันเบาใจกะทิเบาเรียกจางๆกะที่น้อยแล้วกะทิเบาลงอันเดียห้าสิได้อันนั้นแหละ ลังคนวามาภาวนาคือประเด็นนันะรรนเลยช่องเอาภาวานาบ่าเม็นเขาที่ภาวานาเอาเงินเขาภาวานาเอาข้อมเบ่าข้อมสงศเขาคิดกันเนี่มันบอกเขาใจและแบบมาภาวนาตัวอยากดังอีกล่ะบอกเขาทานเอาบ่ถึงบอกเข้กันเนี่เห็นคิวาาวานออด ว, าา ว, นนว่าภาวานาเป็นการปล่อยการว่างสร้างออกทิมออกอันใดเอาไว้แล้วยกัทิมออก อันไดที่บอสันได้มากแต่ย่ไปเอามากไายามเพระเาะเบนไาย่ำละหูจักหูจักคือคือหรอหูจักเระว่างอย่งเเนี่ยอยูี่คน